ส่วฝั่งที่รบค่ะผ่านไปนะคะสำหรับพระมาร์คชาคาวโรท่านอยู่วัดนาป่าพงลำลูกกาคลองสิธิ์วัดเดียวกับท่านจันคือกริชโซธิพโลที่ได้มอบหนังสือพุทธวจนะให้กับพวกเราทุกวันเวนลา3มเล่มในขณะนี้ที่หมายเลขโทรศัพท์0 2 2ย์ส0ง6หรือว่าท่านจะขอซีดีมาที่เบอร์เดียวกันนี้ก็ได้นะคะนิยมชื่อโยมมดนะคะเข้าบันทึกเสียงท่านพบูลในสถานที่ต่างๆ รวบรวมเอาไว้สําหรับคนที่อยากจะทบทวนธรรมจากท่านพิบูลนะคะส่วนในช่วงเวลาต่อไปเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะเราก็จะได้พบกับพระอาจารย์พิบูลอภิปุลโนวัดป่าดอนหายโศกอุดรธานีค่ะนวัสการ์นะะี้ค่ะท่านคะใช่อจริ์พรค่ะเรื่องธรรมะเนี่ยนะคุณยมติว๋วค่ะมีธรรมะอันเดียวคือธรรมะที่แสดงประกาศไว้ดีแล้วโดยพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อาตมาไม่มีธรรมะหมายถึงว่าธรรมะที่ที่เป็นความเห็นของอาตมานะถ้า <S <S 2> <S 2> จะมีเราก็จะพูดไว้ชัดเจนว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นตรรกะฐาะเพราะฉะนั้นถ้าธรรมะเราพูดถึงธรรมะเนี่ยก็คือธรรมะที่ประกาศไว้ดีแล้วโดยพระผู้มีพระภาคเท่าทนั้นเองค่ะดังนั้น <S <S <S <S ถ้าหากดิฉันจะพลาดพลั้งไปพูดให้เข้าใจเป็นอย่างอื่นก็ขอให้เข้าใจว่ากําลังพูดถึงธรรมะเดียวที่ประกาศโดยพระศาสดาเช่นเดียวกันค่ะใช่ใช่ช่ ใชคะอ่าแล้วก็อธมาก็พูดตามพุทธเจ้าเทานั้นเองอ่ะอืมอาจจะพูดตรงบ้างไม่ตรงบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ฟังกันไปนะคะก็พยายามที่จะให้ตรงมากที่สุดใช่ไหมคะแต่บางครั้งเนี่ยในบริบทต่างๆก็อาจจะประกอบไปด้วยส่วนอื่นด้วยอท่านผู้ฟังที่เคารพคะถ้าท่านฟังมาตั้งแต่เมื่อวานบางเออเป็นช่วงท้ายรายการดิฉันก็กลับเรียนถามท่านไพบูลถึงเรื่องที่มีนักบวชผู้หญิงคือแม่ฉีนะคะ มาสอนถึงเรื่องการปรุงแต่งเรื่องสังขารเนี่ยว่าถ้าจะให้ดีอย่าไปปรุงแต่งให้มันมีความทุกข์คือปรุงแต่งไปในทางลบอเปลี่ยนซะเรื่องลบนั้นมาปรุงแต่งไปในทางที่ดีอแล้วผลดีก็จะเกิดตามที่เราปรุงแต่งในทางที่ดีท่านไปบุญได้ต่อไปบ้านในบางส่วนแต่ว่าอยากจะให้ท่านทบทวนตอบอีกครั้งหนึ่งสําหรับผู้ที่เพิ่งเข้ามาฟังค่ะอะก็คือจะไล่ไปเลยคือการปรุงแต่งเนี่ยจะเป็นเหตุ ที่ทําให้เกิดเป็นอาหารของจิตถ้าเราจะพูดถึงหลักกองการทํางานของจิตเลยนะคุณยมติ<ะ>พูดให้ละเอียดไปเลยพอมีการปรุงแต่งแล้วเนี่ยจิตเนี่ยจะมีอาหาร<ะ>พอจิตมีอาหารเนี่ยจิตก็จะไป ร, รับรู้ในเรื่องต่างๆตาหูจ ม, มูกลิ้นกายใจซึ่งตรงเนี้จะเป็นความทุกข์ทั้งหมดเ <ยะ S 1> พดาราะฉะพระุทธเจ้าจึงบอกอย่าปรุงแต่งนะไม่ให้มีการปรุงแต่งปรุงแต่งเนี่ยเป็นอาหารของจิตอย่าให้มีถ้าเราไม่ปรุงแต่งแล้วเนี่ยการปรุงแต่งดับไปเนี่ยอวิชาดับแน่นอน ใช่ไหมสิ่งที่เราต้องการต้องการคือให้อวิชาดับให้วิชาเกิดเพราะฉะนั้นเราจะไม่ต้องการปรุงแต่งใดๆทั้งสิ้นเลยแต่นี้ระดับขัน้นลำดับในการที่ปรุงแต่งเนี่ยบางคนปรุงแต่งดีปรุงแต่งไม่ดีอยู่ๆจะให้มันเลิกเลยเนี่ยพระรูชาบอกว่าคุณจะต้องมีวิธีการทํานั่นคือเรื่องของมัคซึ่งมัคทั้งหมดเนี่ยเป็นการปรุงแต่งในทางดีนะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราต้องการไปถึงจุดเป้าหมายที่ไม่มีการปรุงแต่งใดๆทั้งสิ้นเลยเนี่ยนะ ดับสนิทคือนิพพานเนี่ยนะไม่มีการปรุงแต่งใดๆเนี่ยนะคุณจะต้องมาทําการปรุงแต่งที่ดีก่อนค่ะถ้าพูดถึงพระพุทธเจ้าก็จะเป็นอย่างนี้ท่านค่ะท่านกําลังจะบอกว่าการปรุงแต่งเนี่ยพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่ามันไม่ดีเพราะรมันจะผลิตอาหารให้จิตควมจึงพูดถึงผลิตอาหารให้จิตเนี่ยก็น่าจะดีนะคะจิตมีอาหารกินอแต่ท่านกลับบอกว่าพระพุทธองค์บอกว่า จิตมันจะไปรับรู้เรื่องที่เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายใจใซึ่งล้วนแล้วแต่ทําให้เกิดทุกข์ทุกต่างใช่ไหมคะเพราะนั้นพอมาถึงทุกข์นี่แหละถึงได้บอกว่าเป็นอาหารก็เป็นอาหารที่ทําให้เกิดโทษอืมทีนี้ท่านบอกไม่ปรุงแต่งอวิชชาดาบอาลเาฟังดูยากจังอแต่ท่านบอกว่าอาพระพุทธองค์ทรงเข้าใจว่ามนุษย์เนี่ยมันเคยชินกับการปรุงแต่งถูกไหมคะ อดิฉันอันนี้แปลอาจจะไม่ถูกพู้ทวจนะท่านก็ค่อยตะล่อมให้เป็นได้ได้ได้ทวจนะด้วยก็แล้วกันนะคะอคว่าท่านท่านทรงเห็นในสิ่งนี้ท่านก็เลยให้มีลําดับขั้นบอกว่าให้เดินตามลําดับขั้นคือมัดมัดทั้งหมดคือการปรุงแต่งเลยค่ะอ๋อมัดนี่ยังปรุงแต่งอยู่ถูกต้องเป็นการปรุงแต่งที่ดีท่านคะสมัยใหม่เขามักจะพูดกันถึงเรื่องคิดในแง่บวก positive thinking ดิฉันอยากกับเรียนถามว่าถ้าฟังอย่างนั้นดูเหมือนกับว่าไม่ต้องฟังรายละเอียดเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องเดียวกัน positive thinking กับการปรุงแต่งในทางที่ดีแบบมักแ8นในเหมือนกันไหคะอ๋อ oh, positive thinking เนี่ยยังอยู่ในวงแคบมากะนะถ้าเราพูดถึงเรื่องอสัมมาสังกปะหรือว่าความคิดชอบน ะ, ะหรือว่าเรื่องของมักโอ้โหนี่กินความกว้างมากนะมเนี่ยครอบคลุมหมดทุกอย่าง positive thinking เนี่ยยังอยู่ในวิสัยของกางด้วยซ้า นะมสมมุติถ้าเราบอกว่าเอ้ยเราต้องการเป็นเศรษฐีพันล้านไว้คุณคิดเรื่องเงินพันล้านเงินพันล้านอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องการทั้งนั้นนะซึ่งบางครั้งมันไม่เวิร์กมันไม่สามารถทําได้ใช่ไหมแต่ในขณะที่มาร์ก ข, ของพระพุทธเจ้าที่คิดค้นขึ้นเนี่ยเป็น <Okay. S 1> การพูดในเป็นการคิดในที่ไม่ไม่เกี่ยวข้องด้วยการไม่เกี่ยวข้องด้วยพยาบาทไม่เกี่ยวข้องด้วยบิดเบีย้ยนะซึ่งทําให้สิ่งของเราเนี่ยมีกําลัง ทีนี้ที่ผูดมปสักครู่นี้บอกว่ามรทั้งหมดเนี่ยเป็นเป็นธรรมที่มีการปรุงแต่งคือการปรุงแต่งที่ดีเพราะว่าอะไรเป็นสังคตตธรรมไงคุณยมติวสังคตธรรมในรูปแบบของมรนี่แหละเป็นสิ่งที่เราต้องทําเพื่อให้ไปถึงสิ่งที่ไม่มีการปรุงแต่งนั่นคืออสังคตตธรรมใช่ไหมทีนี้สิ่งที่เป็นสังคตตธรรมทั้งหมดที่เรากําลังพูดถึงว่าเป็นสิ่งที่ดีเนี่ยก็คือการคิดส่วนหนึ่งของสิ่งนั้นคือการคิดทางบวก S <S คือคถ้าเราจะพูดให้ถูกเนี่ยการคิดทางบวกเนี่ยอาจจะรวมเรื่องที่ไม่ดีด้วยแต่<ม>แต่พูดใหม่การคิดทางบวกเนี่ยอาจจะรวมเรื่องที่อยู่นอกมัคก็มีอ่ะพูดอย่างนี้ดีกว่าแต่ถ้าในมัคทั้งหมดเนี่ยจะมีส่วนที่มีการคิดทางบวกด้วยนิดนึงนะแล้วก็มีส่วนอื่นๆ อ, อีกมากมายประเด็นที่พูดถึงวันเมื่อวานก่อนเนี่ยก็คือการที่เอถ้าเราคิดทางบวก นะเราคิดสิ่งที่ดีๆระลึกถึงสิ่งนี้มากๆเนี่ยสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นได้ตรงนี้ต้องระวังนิดหนึ่งพระพุทธเจ้ามีธรรมะข้อหนึ่งในหมวดของอิทธิบาท4นะคือบาตรฐานของความมีอิทธิฤทธิบาตรฐานของความสําเร็จเนี่ยหนึ่งในหมวดนั้นก็คือเรื่องของจิตตะนะคือการทําในใจอยู่ตลอดเวลาน ะ, ะเราต้องแยกให้ออกว่ามันต่างกันยังไงสมมุติคุณต้องการเป็นเศรษฐี คุณต้องารเป็นเศรษฐีเนี่ยคุณก็คิดถึงเรื่องเศรษฐีฉันต้องรวยฉันต้องรวยฉันต้องสวยฉันต้องรวยฉันต้องสําเร็จอยู่เรื่อยๆนะคนละประเด็นอ่าแต่ไมคนละประเด็นเพราะว่าจิตตะนี่หมายถึงอะไรจิตตะเนี่ยหมายถึงสิ่งที่เราต้องทําอยู่ในอยู่ในจิตบ่อยๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทําอยู่ในจิตบ่อยๆคือเหตุต่างหาเหตุที่จะต้องทําให้เรากลายเป็นเศรษฐีอะไรอะ่ะมีศีลไง สีเลนะโภกสัมปทาสินเป็นไปเพืพเอ่อโภคทรัพย์เรานึกถึงเป้าหมายในการที่จะประสบความสำเร็จเหตุอะไรที่จะทําให้คุณประสบความสำเร็จเอาเหตุ น, นั้นน่ะมาคิดอยู่บ่อยๆเข้าใจไหมอย่างเช่นความขยันคุณต้องมีความขยันอยู่ตลอดเวลา ค, คุณต้องมีการช่วยลูกค้าในการแก้ปัญหาต่อเวลาคุณจะต้องสนองงานเจ้านายอยู่ตลอดเวลาคุณจะต้องแก้ไขปัญหาประชาชนสําหรับข้าราชการบางคนคุณเอาเหตุ น, นั้นน่ะมาไว้ในจิตอยู่ตลอดเวลา <C> e ไม่ใช่ความสําเร็จที่ว่าฉันต้องเป็นประหลัดฉันต้องเป็นอธิบดีอันนั้นคนละเรื่องอันนั้นเป็นกามเอาออกไปซะมีกาม <C> e อยู่ไม่คุณทำความสําเร็จไม่ได้แน่ค่ะทีนี้ท่านที่เพิ่ง ม, มาฟังวันเนี้ยเมื่อวานที่ฉันยกตัวอย่างไปว่าสมมุติว่าหากลูกไม่ดีอืมให้ปรุงแต่งไปในทางบวกว่าลูกดีลูกดีลูกดีแล้วลูกจะดีท่านภัยบุญกาลังบอกว่าอันนี้เนี่ยเข้าข่ายของการที่อ่อนวอน อ้อนวอเพราะว่ามันไม่ได้หมายความอย่างนั้นแต่ดิฉันอยากจะทราบว่าที่ว่าการปรุงในการปรุงแต่งในทางที่ดียังไงทางภูทวจะนะว่าดีเนี่ยมสมมุติว่าเอาแค่โจทย์ที่ให้ก่อนนะคะท่านคะ ม, มีดีตรงไหนบ้างไหมคะ อ, ะ เ, อเอาตัวอย่างที่คุณโยมติวยกมาเลยใช่ัค่่วนะาไหมลูกดีลูกดีน ะ, ะถ้าคุณคิดว่าลูกดีเนี่ยมันไม่ถูกเหตุไงแต่ถ้าคุณบอกว่าเมตตาแล้วเอาความเมตตามาไว้ในจิตตลอดเวลา อันนี้ลูกจะต้องดีแน่นอนเขาจะเข้า ใ, ใจ <ทำ S 1> ไหมหมายความว่าถ้าเราต้องการให้ลูกดีลูกดีแล้วมาคิดว่าลูกดีอยู่ในจิตตลอดเวลานี่นะมันไม่ถูกเหตุเพราะว่าอะไรเพราะว่าเพื่อนอาจจะมีลูกอาจจะมีเพื่อนชั่วคื อ, อ ย, ยังไม่ได้แก้ที่เหตุยังไม่ได้แก้ที่เหตุแต่ถ้าเราเอาเรื่องของความมีเมตตาเรื่องของการห้ามเขาเสียชักบาปเรื่องของคุณธรรมของความเป็นมารดาบิดามาไว้ในจิตเราตลอดเวลาลูกต้องดีแน่นอนฟันทอง ค, คือเหมือนกับว่าปรุงแต่งที่ดีนั่ก็ต้องปรุงแต่งที่ถูกด้วยถูกเหตุปุกผลของมันน่ะบางทีเกิด น, นะคะและถ้าปรุงแต่งที่ปลอดภัยที่สุดต้องปรุงแต่งตามอริยามารรคมีองค์แปใช่ไม่งั้นคุณยมเตี่ยวพระพุทธเจ้าก็แหมนั่งอยู่ใต้ร่มไม้โพอะก็อาจจะอ้อนวอนต่อเทพเจ้าแห่งต้นไม้โพเอาละ่ะฉันจะต้องการเป็นสามาชุต้อ้อนวอนไปเลยนะอ้ อ, อนวอนจนกระทั่งวัวควายกับเข้าฝูงกลับเข้าบ้านไปแล้วก็เขาก็ ไม่มีทางสําเร็จเป็นเพราะสมาสมุบุตรเจ้าหรอกถ้าไม่ทําความเพียนอันไม่ถอยกลับถ้าไม่ทําความเพียนความกุเป็นกุศลธรรมที่อยู่ในจิตเอามาใส่ในจิตให้เต็มที่เนี่ยเจ้าชายสินธสถก็จะไม่ได้บรรลุเป็นสมาสมพุตรเจ้า่หรอกไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทําคือสร้างเหตุให้ถูกนะจึงต้องบอกให้ชัดเจนว่าถูกต้องคุณต้องคิดถึงเรื่องนั้นตลอดเวลาธรรมะหมวดนี้มีอยู่ชื่อว่าจิตตะเราต้องทําำมาอยู่ตลอดเวลาแต่เอาอะไรมาทําเอาเหตุ ข, ของความสําเร็จ ที่เราต้องการนั่นแหละมาทํำต้องการรวยต้องการรวยเอาศีลมาค่แล้วสมมุติต้องการจะให้ลูกดีอะท่านคะต้องการให้ลูกดีวอย่างเดิมก่อนเอาพรหมวิหารมาเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเอาไว้ในจิตตลอดต้องการให้ลูกดีใช่ไหมให้ห้ามเสียจากบาปให้ตั้งอยู่ในความดีเอาคุณธรรมสองข้อนี้มาอย่าด่าลูกอย่างเดียวนะอย่าปล่อยให้ลูกชมลูกอย่างเดียวจนลูกเสียต้องด่าบ้างต้องตีบ้าง ต้องเป็นอย่างนั้นค่ะแล้วก็ห้ามไม่ให้เขาทำบาปใช่ห้ามเสียจากบาปก็คือว่าบางทีต้องต้องห้ามเขาต้องใช้กลวิธีต่างๆในการห้ามไม่ใช่ตามใจหมดคือต้องอบรมสั่งสอนในสิ่งที่ถูกต้องไม่หเให้ตั้งอยู่ในความดีนันก็คือสิ่งดีๆเราเอาให้ไม่ใช่ให้ทุกอย่างให้เกมกดให้อะไรให้รถยนต์ให้รถเก๋งมันไม่ได้ให้ตั้งอยู่ในความดีนันคนละเรื่องกันคุณทาให้ถูก ท่านกำลังบอกว่าต้องปรุงแต่งในทางที่ดีที่ถูกต้องอย่างเช่นหลักธรรมมีอยู่ในอิทธิบาทสีในหัวข้อจิตตะต้องทำอยู่ในใจตลอดเวลาตามเหตุที่ควรจะเป็นถูกต้องและท่านก็พูดถึงว่าเรื่องการอยากมีทรัพย์เมื่อสักครู่เดี๋ยนได้ยินท่านได้พูดถึงภาษาบาลีที่เราได้ยินกันเวลาอาราธนาศีลแล้วพร ะ, ะเวลาเราสมาทานศีลใช่ไหมคะเสร็จแล้วเนี่ยพ ร, พระจะมี <จบ S 1> พูดคำนี้สีเลนโภคสัมปธา ศล้ีนเป็นไปเพื่อโพกทรัพย์ค่ะฟังดูแล้วเนี่ยเพื่อโพกษทรัพย์อืมจริงเหรอคะถ้ารักษาศีลแล้วจะได้โพกษทรัพย์อค่ะจริงไหมจริงไหมท่านผู้ฟังต้องพิสูจน์ธรรมะทนต่อการเพ่งพิสูจน์ค่ะไปเลยพิสูจน์นะสิ่ข้อไหนล่ะคะต้องรักษาสักกี่ข้อจึงจะโพกสัมปทาเอามันหมดนั่นแหละเอาเอาเอามันสักเอาเท่าที่ทําได้ก็แล้วกันเอาแต่ทําให้ได้มากเนี่ยเราก็จะมีอันที่สองตรงนี้มากนะ ดิฉันหนึ่งได้ยินตรงนี้ต่อด้วยค่ะอ น, นอกนจากสีเลนะโภกสัมปทาสีเลนะสุขติงยันติแตัสมาแปลว่าอะไรคะท่านคะเอ่อเป็นเป็นสิ่งที่มาด้วยกันคือสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติแตสมาสีหลังวิโสทะเย ท, ทั้ ง, ง<ท>หมด<ท>เนี่ยแปลว่าสีเลสีเละโพสุขติงยันติคือศีลเป็นไปเพื่อความสุขศีลเป็นไปเพื่อโพกซัพย์ศีลเป็นไปเพื่อนิพพาน ให้เธอตั้งอยู่ในศีลคนที่สมาทานศีลก็จะประสบความสุขความเจริญอย่างนี้ออคือได้ทั้งสุขทั้งรวยใช่ได้ทั้งโภคทรัพย์อย่าพูดคําว่ารวยดีกว่าเพราะว่าไม่รู้มากน้อยแค่ไหนถึงจะแล้วก็ยังเป็นไปพืชนิพานด้วยแค่รักษาศีลใช่สรุปแล้วต้องศีลเท่ากับพระเลยว่าคะท่านคะก็ศีลตามสภาพของตนนะตามความเป็นปกติของตนอ่าอย่างความปกติของมนุษย์ธรรมดาเขาไม่เปื้อนพิษผิดในกามกัน เขไม่ฆ่าไม่ลักกันความเป็นปกติของสามเณรก็จะไม่เก็บไม่หยิบตังค์ไม่จับตังค์ด้วยความเป็นปกติของพระสงฆ์ยคุณนี่ต้องละเอียดมากขึ้นต้องมีผ้าสามผืนมีเพศสัมพันธ์ก็ไม่ได้นะเราอย่างต้องโอ้หมีเกลียวแยกระไปัสสาวะลงบนของเกี่ยวก็ไม่ได้อย่างเงี้ยก็เท่ากับว่าถ้าเราเป็นคารวาสธรรมดาธรรมดาศีลห้า น, นี่ก็พอสิคะท่านเป็นความปกติของความเป็นคารวาสถูกต้องค่ะศีลห้า น, นะค ะ, ะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดปลดใช่ไม่ดื่มสุราพอถึงพูดปลดอยู่ในช่วงที่ร น, นอรงค์คุต้องขออนุญาตท่านพิบู์ที่จะพูดในสิ่งนี้คือกำลังรณรงค์ว่าถ้าชอบพูดต้องพูดชอบพูดสัมมาวาจาพูดปลดนี่ก็เป็นหนึ่งในสัมมาวาจาคือไม่พูดปลดนะคะอย่างที่สองไม่พูดให้แตกแยกอย่างที่สาม ไม่พูดคำหยาบและสุดท้ายไม่พูดเพรสเจอร์เพื่อที่จะทำให้ตัวเราเ็้าเจริญด้วยคำพูด ต, ตรงนี้มีประเด็นเรื่องนี้นิดหนึ่งคุณยมติที่ว่าอชอบพูดนะค่ะพระพุทธเจ้าเคยบอกว่าโทษของการพูดมากมีค่ะนั้นคือจะเสี่ยงต่อการพูดมิจฉาวาจาทั้งสี่อย่างค่ะแต่อันนี้สงของการพูดพอประมาณก็มีค่ะนั้นก็คือไม่เสี่ยงต่อการมิจฉาวาจาทั้งสี่อย่างค่ะ คืต้องควบคุมใช้พูดพอประมาณถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นการชอบพูดเนี่ยก็ต้องตีความว่าคือการพูดพอประมาณว่างั้นเถอะไม่ใช่พูดมากเกินไปค่ะดิฉันเข้าใจว่าเป็นการจะเล่นคำอะค่ะใช่ใช่ถูกต้องว่าชอบพูดต้องพูดชอบนะคะแล้วเป็นโครงการที่ตัวเองก็ได้คนรอบข้างก็ได้ไม่เชื่อถ้าลองทําสิคะอืมความรักความสามัคคีในครอบครัวปัญหาต่างๆมันจะลดน้อยถอยลงถูกต้อง แล้วก็สังคมก็จะดีขึ้นเพราะว่าเราพูดให้สมาสมามัคคีกันนะคะแล้วก็มันฟังแล้วไม่สแสลงหูไม่พูดหยาบเลยไม่พูดรุนแรงเลยพูดมีแต่มเมตตาและเราก็ยังจะได้เป็นการปฏิบัติบูบบชาถวายพระพุทธองค์ที่ตรัสรู้ธรรมมาจะครบ 2,600 นปีในปีหน้ากับถวายพระเจ้าอยู่หัว8 4ี่พันษาเราจึงกำหนด84วันนับแต่วันที่ปพฤษภาเรื่อยไปจนกระทั่งครบ8ปี่วัน ให้ได้แปดล้านสี่แสนรายชื่ อ, อแล้วรายชื่อไปอยู่ที่ไหนล่ะก็ให้ท่านไปที่ Facebook นะคะใช้ชื่อว่าพูดชอบ P W D S H O B หรือว่าจะไปที่เว็บไซต์ที่ชื่อว่า B Thai B E T H A I .com ไปลงนามกันที่นั่นและถ้าหากว่าไปที่ Big C ซีอาเงี้ยเขาก็จะมีนะคะ สีมุมเมืองสิบสองสาขาค่ะเอแล้วถ้าคนที่ไม่ใช้คอมพิวเตอร์นี่เขาจะทำยังไงล่ะนอกจากเนี่ย <ไป S 1> ค่ะ <ix> ก็มีใบไม้ให้ไปวิอ่าก็ตอนเนี้ยค่ะกำลังพยายามที่จะเผยแพร่ให้กว้างขวางมากที่สุดออแล้วก็รณรงค์ออออว่าถ้าใครเป็นองค์กรหรือเป็นเอกชนเห็นคุณค่าของสิ่งนี้อาจจะดาวน์โหลดลงมานะคะเราตัดเป็นใบไม้แจกใจ่ายในสานักงานตัวเองพี่น้องเพื่อนฝูงช่วยกันทาเถอะเพราะเท่ากับเป็นการอธิษฐาน จะได้มีเจตนาที่แน่วแน่แล้วเราก็จะได้มีจิตที่ตั้งมั่นพยายามทําในสิ่งนั้นซึ่งเป็นมงคลกับตัวเราเองให้สำเร็จะนะคะเขียนไปในสิบัตทก็คงจะได้เนาะค่ะเดี๋ยวเป็นขั้นตอนต่อไปที่เราจ ะ, จะต้องรณรงค์กันเรื่อยๆอวันนี้ต้องนมัสการขอบคุณท่านไพบูลนะคะจ้าอจรย์พานค่ะส่วนดิฉันสัสนีนาพงคงเหลือเวลาลาท่านไม่มากแล้วล่ะค่ะก็ลากันไปแต่เพียงเท่านี้สําหรับรายการสัสนีสนทนาจะมาพบท่านใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะพุทธสวัสดีค่ะ